นางวิสาขาพระบรมศาสดาสเสด็จประทับอยู่ณบุพารามของนางวิสาขากรุงสาวัตถีงปรารภอุบาสิกาวิสาขาดังได้สดับมานางวิสาขาเกิดแต่คัน์ของนางสุมนาเทวีภริยาหลวงของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรของเมรฑกะเศรษฐีในพัิยนครแควนอังค เมื่อนางมีอายุได้ครบเจ็ดขวบพระบรมศาสดาทรงตรวจโลกเห็นอุปนิสัยสมบัติของนางจึงเสด็จจ้าริกไปถึงพัิยานครพัิยานครในสมัยนั้นเมรุกะข้ารืหาบดีเป็นหัวหน้าของเศรษฐีห้าคนผู้มีบุตรมากได้แก่เมรุกะเศรษฐีหนึ่งนางจันทะปัทุมาภริยาหลวงของเมรกะเศรษฐีหนึ่งบุตรชายคนโตของเศรษฐีชื่อธนันชัยหนึ่ง ภริยาของธนันชัยชื่อสุมนาเทวีหนึ่งคนใช้ของเมธะกะเศรษฐีชื่อปุญนะหนึ่งส่วนในแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารมีเศรษฐีห้าคนชื่อโชติยะหนึ่งชติละหนึ่งเมธะกะหนึ่งปุณณะหนึ่งกากะวลิกะหนึ่งเมธะกะเศรษฐีได้ให้เด็กหญิงวิสาขาพร้อมเด็กหญิงบริวารห0 0ร้อคน ไปทำการต้อนรับพระบรมศาสดานางได้ฟังธรรมด้วยาสามารถแห่งบุรพจัญญาของนางนางได้โสดาปฏิพลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจึงนิมนต์ถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเวลากึ่งเดือนด้วยโพชนียะอันประณีตพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระเจ้าพิมพิสารต่างเป็นพระพัสดาของภคินีกันและกัน พระเจ้าปเสนทิทรงเห็นว่าแว่นแคว้นมคตของพระเจ้าพิมพิสารมีเศรษฐีผู้มีบุญมากมีโภคะมากจำนวนมากมายจึงเสด็จไปขอผู้มีบุญมาสักคนหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารจึงให้ทนันชัยเศรษฐีไปกับพระเจ้าปเสนทิสร้างเมืองสาเกตอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีเจ็ดโยต์อันเศรษฐีจับจองจึงได้ชื่อว่าสาเกต ในกรุงสาวัตถีมีบุตรของมิคาราเศรษฐีเป็นหนุ่มชื่อปุณณวัฒกุมารประกาศหาสตรีงามห้าอย่างเป็นภริยาได้แก่หญิงเบญจ ก, กัลยาณีมีผมงามหนึ่งเนื้องามหนึ่งกระดูกฟันงามหนึ่งผิวงามหนึ่งและวัยงามหนึ่งสาอหาแล้วไปพบนางวิสาขาขณะนั้นมีอายุ 15-16 ถึงปีในงานนักขัตฤกประจาปีของเมืองสาเกต ในขณะนั้นฝนตกแต่นางวิสาขามิได้วิ่งหนีฝนเหมือนเช่นหญิงบริวารทั้งห้าร้อยคนสาเหตุที่นางไม่วิ่งเช่นนั้นเพราะว่าชนสี่จำพวกวิ่งไปไม่งามได้แก่พระราชาผู้อภิเศกแล้วช้างมงคลของพระราชาบรรพชิตและสตรีดังนั้นมิข่าระเศรษฐีจึงทูลให้พระเจ้าประเสณที่โกศลไปสู่ขอนางให้บุตรชายของตน ธนันชัยเศรษฐีกับธิดาวิสาขาจัดสถานที่ต้อนรับพระราชาและคณะของเศรษฐีอย่างสมพระเกียรติและพระเกียรติยศบิดาของนางวิสาขาให้ช่างทอง500คนทำเครื่องประดับมหาลดาปราสาทสิ้นเวลาอยู่สี่เดือนจึงแล้วเสร็จสิ้นเพชรสี่นานแก้วมุกดาสิทเนานแก้วประพาส20ทนานแก้วมณีสาทนาน ร้อยด้วยได้ที่ทําด้วยเงินเรื่องประดับนั้นสวมที่ศีรษะแล้วย่อมจดหลังเท้าลูกดุมที่ประกอบเป็นแหวนในที่นั้นๆทําด้วยทองห่วงทําด้วยเงินแหวนวงหนึ่งที่ท่ามกลางกระหม่อมที่หลังหูสองวงหลุมคอหนึ่งวงเข่าทั้งสองสองวงข้อศอกทั้งสองสองวงข้างสีเอวสองวง ทำขนนกยุงขนปีกทำด้วยทองที่ปีกซ้ายห้าร้อยเบื้องขวาห้าร้อขนจะ ง, งอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีคอและแวหางก็เหมือนกันการขนและขาทำด้วยเงินนกยุงนั้นสถิตยอยู่ท่ามกลางกระหม่อมแห่งนางวิสาขาประหนึ่งนกยูงรำพนอยู่บนยอดเขาเสียงแห่งก้ารขนปีกทั้งพันประหนึ่งทิพสังคีต และกึกกล้องแห่งดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าทั้งสิ้นราคาเก้าโกรคือ90ิบล้านค่าจ้างบำเหน็จรางวัลค่าหัตถกรรมแสนหนึ่งได้ยินว่าครั้งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้ถวายจีวรสาตกะแก่ภิกษุสอง0มืรูปถวายได้และเข็มเครื่องย้อมเป็นต้น ผลกรรมแห่งการถวายจีวรฐานนี้มีอนิสงฆ์ให้นางได้รับเครื่องประดับนี้อนิสงฆ์จีวรฐานของบุรุษทั้งหลายย่อมถึงที่สุดด้วยบาทและจีวร อ, อันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์มหาเศรษฐีบิดาได้แบ่งสมบัติให้นางอีกมีเงินกะหาปณะนะทองคําเงินทองแดงสำริดผ้าไหมเนยใสน้ำมันน้ำอ้อยข้าวสาลีอุปกรณ์ไถยและผานอย่างละห้าร้อยเล่มเกวียน นางเปาริจาริกาหรือผู้รับใช้อีก 1,500 คนมหาเศรษฐีแบ่งโคให้ทิดาโดยให้เปิดประตูออกแล้วยืนถือกลองสามใบอยู่ในที่สขมคาวุธคือ12กิโลเมตรยืนอยู่ที่ข้างทั้งสองในที่ประมาณหนึ่งอสุภะเท่ากับ25ว่าโดยส่วนกว้างพึงตีกลองสัญญาณในเวลาแม่โคหยุดแล้วมหาเศรษฐีสั่งให้ปิดประตูคอกว่าพอแล้ว แต่เพราะผลบุญของนางวิสาขาโคผู้และโคแม่โคโนมและลูกโคตัวมีกำลังอย่างละหก0มื่นตัวออกไปแล้วได้ติดตามออกไปแล้วเพราะผลแห่งทานที่นางวิสาขาครั้นเกิดเป็นธิดาสุดท้องทั้งเจ็ดของพระเจ้ากิกินามว่าสังคธาสีถวายเบญจโครสแก่ภิกษุหนุ่มสามเณร น, น้อยสมัยพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสอง 0,000 ื่นรูป แม้พระภิกษุสัมเนนปิดบาทห้ามอยู่ว่าพอแล้วแต่นางก็ยังสั่งว่านี่ก็อร่อยนี่ก็น่าฉันถวายแล้วถวายอีกเพราะผลแห่งกรรมนั้นโคเหล่านั้นแม่ห้ามอยู่ก็ออกไปแล้วอย่างนั้นเพื่อรู้คนผู้มีความรักและชังในธิดาเศรษฐีไม่จัดแจงบังคับแต่ให้สมัครใจว่าใครจะไปอยู่กับทิดาขอจงไปผู้ไม่อยากไป ก็จงอย่าไปดังนี้โอวาสิบข้อแก่ธิดาวิสาขาว่าหนึ่งไฟในอย่านาออกคือไม่เอาเรื่องในเรือนและเรื่องของสามีพ่อแม่พี่น้องญาติของสามีไปพูดข้างนอกสองไฟนอกอย่านาเข้าคือไม่เอาเรื่องร้ายๆข้างนอกเข้ามาในเรือนสามีสามพึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้น คือคนที่ยืมของแล้วส่งคืน 4. ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้คือคนที่ยืมของแล้วไม่ส่งคืน 5. พึงให้แก่คนทั้งที่ให้และที่ไม่ให้คือญาติมิตรยากจนมาแล้วอาจใช้คืนหรือไม่อาจพึงให้แก่ชนเหล่านั้น 6. พึงนั่งให้เป็นสุขคือไม่กีดขวางทางเดินพ่อแม่สามี เพึงบริโภคให้เป็นสุขคือจัดให้พ่อแม่สามีบริโภคก่อน 8. พึงนอนให้เป็นสุขนอนที่หลังสามีและพ่อแม่สามี9พึงบำเรอไฟปรนิบัติฟังรับใช้พ่อแม่สามีและสามีและ10พึงนอบน้อมเทวดาภายในเทวดาภายในคือพ่อแม่สามีและสามี หมายเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับหลายคนที่บ้าสิทธิมนุษยชนฟังข้อเหล่านี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นการกดข่มผู้หญิงแต่ในความเป็นจริงคนที่จิตสูงเท่านั้นถึงจะคิดเรื่องสูงสงได้นะครับความสุขของผู้หญิงคืออะไรต้องคิดให้ดีทั้งสิบข้อนี้ก็เพื่อความสุขในชีวิตครอบครัวหากทำได้แน่นอนว่า ความรักที่แท้จริงก็จะบังเกิดได้ง่ายการให้การเสียสละการยอมเสียเปรียบบ้างเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่หลายคนโหยหาให้ดูนะครับเศรษฐีหลายคนมีเงินหลายแสนล้านแต่ไม่มีความสุขในชีวิตแม้แต่วินาทีเดียวกับครอบครัวที่ร้อนเป็นไฟกับความเจ้าชู้ของสามีกับการอยู่กันด้วยความอึดอัดบางครั้งเราก็ต้องเสียบางอย่าง เพื่อได้ความสุขที่มากกว่าแล้วเรื่องทั้งหมดนั้นก็เป็นการสร้างเมตตาจิตในตนเป็นกุศ ล, ลจิตที่จะส่งสิ่งดีๆความสุขในด้านต่างๆมาให้อีกมากมายตามหลักที่ว่าจิตที่ดีย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีในทางวิทยาศาสตร์จิตที่ดีเป็นกุศ ล, ลจิตจะทำให้คลื่นสมองสงบนะครับเมื่อคลื่นสมองสงบ ก, ก็จะเกิดสมาธิได้โดยง่ายเมื่อสมองไม่รวน มีความสงบก็จะมีความสุขได้โดยง่ายและคิดเห็นอะไรได้ลึกซึ้งกว่าคนที่คลื่นสมองไม่สงบนะครับเรื่องเหล่านี้สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้และขอฝากไว้อีกเรื่องนะครับคือในความเป็นจริงแล้วจะไม่มีใครนอกใจเราได้ถ้าเราดีพอมนุษย์นั้นมีปัญญาพอสมควรนะครับไม่มีทางที่คนเราจะทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาอยู่ด้วยและมีความสุขมากที่สุด ไปหาสิ่งที่แย่กว่านะครับดังนั้นการทำตัวให้ดีการปฏิบัติต่อกันให้ดีถูกต้องครบด้านจึงจะสามารถมัดใจคู่รักของเราได้จริงที่ต้องนอกใจต้องเลิกรากันนั้นส่วนใหญ่ก็เพราะที่อยู่กันแล้วมันเติมเต็มความสุขให้กันและกันไม่ได้อย่ามัวแต่กังวลว่าเราทำดีอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝั่งไม่ทาให เราไม่รู้จริงๆหรอกนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดดีที่สุดและถูกใจเขาจริงหรือเปล่าอันว่าปุตุชนผู้ชายธรรมดาทั่วไปมักจะแยกเรื่องเซ็กกับเรื่องความรักออกจากกันนะครับเซ็กก็เหมือนรสชาติอาหารที่เขาอยากเปลี่ยนไปเรื่อยแต่หากเขาเป็นผู้มีศีลและเราทำดีกับเขามากพอก็ไม่มีทางที่จะนอกใจหรือแม้อยากนอกใจก็ไม่มีทางทำนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ขอให้จำประโยคนี้ให้ดีนะครับว่าคนทุกคนย่อมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเสมอถ้าหากสิ่งที่มีดีพอดีครบด้านแล้วย่อมไม่อยากไปแสวงหาไปเหนื่อยกับสิ่งอื่นให้ลาบากกายลาบากใจต่อไปนะครับหลังจากนั้นเศรษฐีก็ให้กุดุมพี8คน ด้วยให้เป็นผู้ค้ำประกันใน่าำกลางราชเสนาถ้าโทษเกิดแก่ทิดาในสถานที่นั้นพึงจำระความและมอบทรัพย์ให้ห4บี่โกรกล่าวว่าชนผู้อยากไปกับทิดาของเราจงไปครานั้นชาวบ้าน14ี่ตำบลได้ยินเสียงออกไปไม่เหลือใครเลยมีขาราเษถีเห็นชนเป็นอันมากว่าใครจกเลี้ยงดูได้ให้ไล่กลับแต่นางวิสาขาว่า อย่าห้ามผลนั่นแหลจักให้พัดคืออาหารแก่ผลแต่มิคาวรเศรษฐีก็ยังไล่ให้หนีไปอยู่อีกรั้นถึงกรุงสาวัตถีนางได้ยืนบนรถแสดงตนแก่ชาวนครจนสิ้นนางเข้าสู่เรือนของเศรษฐีด้วยสมบัติมากนางได้ส่งบรรณาการที่เขาส่งมาแล้วให้เป็นประโยชน์แก่ตระกูลอื่นๆในนครนั่นแหละ นางกล่าวใพเราะเหมาะกับไวยท่านจงให้สิ่งนี้สิ่งนี้แก่คุณแม่คุณพ่อของดิฉันแก่พี่ชายน้องชายของดิฉันแก่พี่สาวน้องสาวของดิฉันดังนี้แล้วส่งบรรณาการไปได้ถึงชาวนาครทั้งหมดให้เป็นเหมือนญาติด้วยประการชนนี้คืนหนึ่งนางลาแม่มาอาชาไนตกลูก นางให้ทาสีคือคนรับใช้ถือไฟออกจากเรือนไปในที่นั้นอาบด้วยน้ำอุ่นถาน้้ำมันให้แล้วกลับเรือนฝ่ายมิขาราเศรษฐีจัดงานฉลองสมรสด้วยการเลี้ยงข้าวปายญาติหลายร้อยสำรับแกอาเจละกะผู้ถือลทัทธิเปลือยกายห้าร้อยสำรับแล้วส่งข่าวให้นางวิสาขามาไหว้อารหันต์นางได้ตำาหนิพ่อผัวว่าผู้เว้นจากหิริความละอาย อดตะปะความเกรงกลัวต่อบาปเห็นปานนี้ยอมชื่อว่าอารหันไม่ได้แล้วกลับขึ้นเรือนของตนมิขาราเศรษฐีถูกอเจลกะทั้งหลายว่าเลือกสะพยกาลากินีได้อย่างไรให้ขับนางออกจากบ้านเสียมิขาราเศรษฐีว่ามีอาจขับนางได้เพราะเป็นทิดาของสกุลใหญ่นางเป็นเด็กย่อมไม่รู้อะไรขอท่านจงนิ่งเสถิด ครั้งหนึ่งมีพระเทรารูปหนึ่งเที่ยวบินทบาตได้เข้าไปสู่เรือนของมิคาราเศรษฐีนางยืนพัดพ่อผัวอยู่พลางคิดว่าการบอกพ่อผัวกำลังรับประทานอาหารไม่สมควรแต่พ่อยังแกล้งก้มหน้ามองไม่เห็นพระรูปนั้นนางจึงกล่าวว่ามีมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้าพ่อสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าท่านเศรษฐีโกรธ แล้วบอกว่าจงขับไล่นางออกไปเสียจากเรือนนี้แต่ด้วยทาตบริวารทั้งหมดล้วนเป็นคนของนางทั้งสิ้นจึงไม่มีใครทําอะไรได้นางจึงกล่าวว่าถ้าโทษเกิดแก่ดิฉันขอให้กูดุมพีแปดคนพึงชําระคุณพ่อเรียกให้มาชําระดิฉันเถิดกูดุมพีทั้งหลายสอบสวนแล้วได้ความว่านางหมายความว่าบริโภคของเก่า คือบริโภคบุญเก่าแต่ไม่ทำบุญในอัตภาพนี้โทษของนางมิได้มีเศรษฐีจึงว่ามีเรื่องอยู่อีกคือหนึ่งนางกับคนใช้แวดล้อมแล้วได้ไปหลังเรือนได้เอาไฟในเรือนออกไปข้างนอกกุดุมพีสอบสวนแล้วได้ความว่าคำว่าไฟในมิได้หมายความว่าแสงไฟแต่หมายถึงโทษคือเรื่องไม่ดีของพ่อแม่สามีในเรือนไม่นาออกไปพูดข้างนอก ส่วนไฟนอกหมายถึงคำพูดที่ชนทั้งหลายกล่าวโทษของพ่อแม่สามีนอกบ้านไม่ให้นําเข้ามาพูดในเรือนดังนี้เศรษฐีจึงว่าข้อนั้นยกไว้ก่อนก็โอวาสิบข้อซึ่งลี้ลับปิดบังเราไม่ทราบเนื้อความแห่งโอวาดนั้นนางจึงอธิบายว่าให้คนที่ควรให้หมายความว่าคนที่ยืมไปแล้วส่งคืนเท่านั้น ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าไม่ควรให้แก่ผู้ที่ยืมแล้วไม่ส่งคืนควรให้แก่คนทั้งที่ให้ทั้งที่ไม่ให้หมายความว่าเมื่อญาติมิตรยากจนมาถึงแล้วชนเหล่านั้นอาจใช้คืนหรือไม่อาจก็ตามการให้แก่ญาติและมิตรเหล่านั้นนั่นแหละจึงควรพึงนั่งให้เป็นสุข หมายความว่าการนั่งในที่ที่เห็นพ่อแม่สามีและสามีแล้วต้องลุกขึ้นไม่ควรคือนั่งไม่กีดขวางทางเดินพึงบริโภคให้เป็นสุขหมายความว่าไม่บริโภคก่อนพ่อแม่สามีและสามีพึงนอนให้เป็นสุขหมายความว่าควร น, นอนที่หลังพ่อแม่สามีและสามีพึงบำเรอไฟหมายความว่า พึงเห็นทั้งพ่อแม่สามีและสามีให้เป็นเหมือนกองไฟและพญานาคคำว่า น, นาคในพระไตรปิฎกมีความหมายหลายไนยะนะครับนัยะหนึ่งคือหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ศัพท์ในพระไตรปิฎกนั้นเมื่อแปลเป็นไทยแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้องตามนัยะของแต่ละบทด้วยนะครับในที่นี้คาสอนในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้บูชาไฟหรือบูชาพญานาคหรือบูชาเทพอะไรนะครับ เพียงแต่เป็นความเชื่อลัทธิเดิมที่เขาบูชาไฟบูชาเทพเจ้ามาก่อนก็เลยเปรียบเทียบไม่เห็นว่าควรจะบูชาเช่นนั้นกับพ่อแม่สามีและสามีเช่นกันพึงนอบน้อมเทวดาภายในหมายความว่าให้เห็นพ่อแม่สามีและสามีดุจเทวดาจึงควรมิคาราเศรษฐีได้ฟัง นางนิงกรมนาและกล่าวว่าโทษของนางไม่มีนางวิสาขาบอกว่าเมื่อโทษไม่มีแล้วก็จะไปเศรษฐีขอโทษและขอร้องนางอย่าไปเลยนางวิสาขาบอกว่าหากได้บำ ร, รุงภิกษุสงฆ์จึงจะอยู่เศรษฐีจึงอนุ ญ, ญาตให้ทำตามความชอบใจใเถอะเพรั้นต่อมานางวิสาขานิมนต์พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า และเชิญพ่อแม่สามีมาเฝ้าเศรษฐีไมมานางเชิญพ่อสามีมาฟังธรรมเศรษฐีมาฟังธรรมแต่นั่งอยู่ภายนอกม่านทรงเริ่มตรัสอนุปพิกถาเพื่อแสดงธรรมดุดจจับต้นว่าใหญ่สันดุจ ด, ดังยืนถืออมตะธรรมให้ตกอยู่มิคาระเศรษฐีนั่งฟังอยู่ภายนอกม่านดุจพระศาสดาตรัสแสดงธรรมอยู่ตรงหน้า ดุจพระจันลอยแล้วในกลางหาวปรากฏบนศรีรษะตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิพลอันประดับพันในยาประกอบด้วยอจลาสัทธาอันมั่นคงไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยวิจิกิจชาในรัตนสสามยกชายม่านขึ้นแล้วกล่าวกับนางวิสาขาว่าเจ้าจงเป็นมารดาชั้นตั้งแต่วันนี้จำเดิมแต่วันนั้นนางวิสาขาได้ชื่อว่ามีคารมาตาหรือมิคารมาดา ภายหลังนางได้บุตรชายจึงตั้งชื่อบุตรว่ามิคาระพระบรมศาสดาเสด็จมาเสวยพัดแม้ในวันรุ่งขึ้นแม่สามีได้บรรลุสดาปฏิพลได้บำรุงพระศาสนาแต่นั้นมาทั้งครอบครัวของเศรษฐีได้ทำเครื่องประดับชื่อคณะมัทกะราคาแสนหนึ่งอาบนางด้วยน้ำหอม16หหม้อ นิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันและอนุโมทนานางวิสาขาได้รับพรแปประการจากพระสาสดาประหนึ่งจันทะเลขาคือวงจันกลางหาวถึงความเจริญด้วยบุตรธิดาอย่างละสิบบุตรธิดาคนหนึ่งหนึ่งมีบุตรคนละสิบทิดาคนละสิบบรรดาหลานคนหนึ่งหนึ่งมีบุตรธิดาคนละอย่างละสิบจานวนคนได้มีแล้วรวม8ันิบคน นางมีอายุถึง120ปีผมหงอกบนศีรษะแม้เส้นหนึ่งก็ไม่มีนางประหนึ่งเด็กหญิงรุ่นอายุ16ปีเป็นนิดชนทั้งหลายเห็นนางและบริวารบุตรหลานเดินไปวิหารมิอาจรู้ได้ว่าคนไหนคือนางวิสาขานางทรงกําลังเท่ากับช้างห้าเชือกนางเอานิ้วสองนิ้วจับงวงช้างและผลักไปช้างไม่อาจทรงตัวอยู่ได้ได้ส่วนล้มลงที่หน้าพระลานหลวง นางเป็นผู้หาโรคไม่ได้นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหารด้วยคิดว่าไปโสู่วิหารควรถอดเครื่องประดับออกห่อไว้แล้วสวมเครื่องประดับคณะมัทกะไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมเสร็จหญิงคนใช้ของนางลืมเครื่องประดับนั้นแล้วพระอานน์เก็บคล้องไว้ที่ข้างบันไดนางคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าเอามือถูกแล้วซึ่งห่อพัทธะ ไม่ควรนำมาประดับจึงสั่งช่างทองมาตีราคามีค่าถึง9้าโกดจึงประกาศขายแต่หาคนซื้อไม่ได้หญิงผู้สมควรประดับเครื่องประดับนี้ในปัตตพีมนทนได้เครื่องประดับมหาลดาปราศาสตร์มีเพียงสามคนคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาหนึ่งนางมลิกาพัญญาพัทุลลาเสนาบดีหนึ่งและลูกสาวเศรษฐีกรุงพาราณสีหนึ่ง นางจึงขนทรัพย์้าโกดกับหนึ่งแสนขึ้นใส่เกวียนนำสู่วิหารสร้างวิหารด้วยทรัพย์นั้นนางสร้างวิหารอยู่ถึง9้าเดือนจึงลาวเสร็จด้วยเพราะอาศัยพระมหาโมคลานะเทระผู้มีฤทธิ์เป็นปราสาทสองชั้นประดับด้วยห้องพันห้องข้างล่างห้าร้อยชั้นบนห้าร้อสร้างยอดปราสาทจุน้ำได้ห0สบหม้อด้วยทองคาสีสุขที่บุเป็นแท่ง นิมนต์พระศาสดาและภิกษุสง์ประทับอยู่ในวิหารนี้ตลอดสี่เดือนเพื่อทำการฉลองประสาทหญิงสหายของนางวิสาขาคนหนึ่งถือผ้าผืนหนึ่งราคาหนึ่งพันหาที่ปูไม่ได้ร้องไห้อยู่พระอานน์จึงให้ปูลาดไว้ที่บันไดทำเป็นผ้าเช็ดเท้าที่นางวิสาขาไม่ได้กำหนดไว้ ภิกษุล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าย่อมมีผลเป็นอันมากข้อนี้กงเพราะหญิงสหายนั้นต้องการจะร่วมบุญนะครับแต่หาที่ปูผ้าเพื่อร่วมบุญไม่ได้ก็เลยร้องไห้แต่ท่านพระอานนุ์ก็เมตตาให้จนได้ทำบุญใหญ่ในครั้งนั้นด้วยนางวิสาขาฉลองวิหารหมดไป9้าโกรสร้างวิหาร9ก้าโกรซื้อที่ดินเก้าโกรรวมทั้งหมด27โกร นางเปลงอุทานด้วยเสียงอันไพเราะด้วยคถาห้าพระคถาว่าความดําริกของเราว่าเมื่อไรเราจักถวายประสาสตใหม่ฉาบได้ปูนขาวและดินเป็นวิหารฐานดังนี้บริบูรณ์แล้วความดําริกของเราว่าเมื่อไรเราจักถวายเตียงต่างฟูกและหมอนเป็นเสนาสนะ พ, พันดังนี้บริบูรณ์แล้วความดําริกของเราว่าเมื่อไรเราจักถวายสลากรพัด ผสมด้วยเนื้ออันสะอาดเป็นโภชนาทานดังนี้บริบูรณ์แล้วความดำริของเราว่าเมื่อไรเรจาจกถวายผ้ากาศิกพภัตผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นจีวรทานดังนี้บริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินคิดว่านางเสียจริตแล้วพระสัสดาตรัสว่าเธอหาได้ขับเพลงไม่แต่อัจฉาสาัยส่วนตัวของเธอเต็มเปี่ยมแล้ว เธอดีใจว่าความปรารถนาที่ตั้งไว้สาเร็จแล้วจึงแปลงอุทานในที่สุดแสนกลับแต่นี้ไปครั้งพระประทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุแสนปีมีคีนาสะวะหนึ่งแสนเป็นบริวาร น, นครชื่อหงสวดีพระชนกเป็นพระราชาพระนามว่าสุ น, นันทะพระชนนีพระนามว่าสุชาดา อุบาสิกายอดอุปัฏฐายิกาของพระสัสดาพระองค์นั้นทูลขอพรแปประการตั้งอยู่ในฐานะมารดาบำรุงพระสัสดาด้วยปัจจัยสี่ยอมไปสู่ที่บำรุงทั้งเย็นและเช้าหญิงสหายคนหนึ่งของอุบาสิกานั้นยอมไปวิหารกับอุบาสิกานั้นเป็นนิดหญิงนั้นเห็นอุบาสิกานั้นพูดกับพระสัสดาด้วยความคุ้นเคยและเห็นความเป็นผู้สนิทกับพระศ ส, สดา จึงตั้งความปรารถนาเช่นนั้นและกราบทูลว่านิมนต์พระพุทธเจ้ากับภิกษุแสนรูปรับพิกษาตลอดเจดวันครั้นครบเจ็ดวันได้ทำจีวรถวายพระศัสดาตั้งความปรารถนาขอให้พึงได้พรแปประการพระบรมสัสดาทรงตรวจดูตลอดแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามวโคดมจากอุบัติขึ้นจะได้เป็นอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา และได้พร8ปดประการนั้นตั้งอยู่ในฐานะดังมานดาจะเป็นยอดหญิงผู้เป็นอุปทายิกาเป็นผู้บำรุงปัจจัยสี่ไปสู่ที่บำรุงทั้งเย็นและเช้ามีหญิงไปสู่วิหารด้วยเป็นนิตเป็นผู้สนิทสนมกับพระสัสดาและเป็นผู้คุ้นเคยกับพระศัสดานางทาบุญตลอดอายุไขแล้วไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยาโลก ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามกัสปะเกิดเป็นพระธิดาชื่อสังฆาสีผู้เป็นกนิตฐาของบรรดาธิดาเจ็ดพระองค์ของพระเจ้าพรารณสีพระนามกิกิทรงทำบุญให้กับเจ้าพี่หญิงตลอดกาลนานตั้งความปรารถนาไว้ในอนาคตพึงได้พร8ปประการสิ้นอัตภาพนี้มาบังเกิดเป็นธิดาของทนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรแห่งเมธะเกษตีนี่และ ทิดาของเรายอมไม่ขับเพลงแต่เธอเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้จึงเปลงอุทานอย่าลืมนะครับว่าคำว่าทิดาและบุตรนั้นทรงใช้เรียกโอรสแห่งธรรมคือผู้บรรลุธรรมแล้วทรงตรัสอีกว่าอั น, นมาลาการผู้ฉลาด พึงทำพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้แม้น้อยฉันใดสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลให้มากฉันนั้นครั้นจบเทศนาจนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาปติพลเป็นต้นดังนี้แหล